ติดกับระหว่างเสือและงูมีตำนานพุดเก่าแก่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 พยายามจะฉกเขาที่เทา้าแต่เท้าของเขาอยู่สูงเกินไปสักกระเบียดเดียวเขแหงนหน้าขึ้นไปมองข้างบนเห็นเจ้าเสือตัวนั้นกําลังจะโงกลงมาในบ่อพยายามจะตปะปบเขาจากเบื้องบนแต่มือของเขาที่ยึดรากหมายไว้อยู่ต่ำลงมาแค่กระเบียดเดียว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 ไปเสียดสีต้นไม้เล็กๆต้นหนึ่งจนหมันสะเทือนมีรังพึ่งติดอยู่บนกิ่งไม้ซึ่งโน้มอยู่เหนือปากหลุมน้ำพึ่งเริ่มหยดลงมาในหลุมชายผู้นั้นแลบลิ้นออกมารองรับน้ำพึ่งไว้อือร่อยจังเขากล่าวกับตัวเองแล้วก็ยิ้ม